วีสตินิบาตหนึ่งอธิมุตตะเทระคาถาภาษิตของพระอธิมุตตะเทระหัวหน้าโจรเมื่อจะสรรเสริญพระเทระเดียกล่าวสองภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อก่อนเราสัตว์ที่พวกเราฆ่าเพื่อบูชายันหรือเพื่อทรัพย่ยอมเกิดความกลัวทั้งนั้นย่อมพากันหวาดวันและบ่นเพ้อรำพันท่านนั้นไม่มีความกลัว สีหน้าผ่องใสยิ่งนักเพราะเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวญในเมื่อเกิดภัยใหญ่เช่นนี้พระเทระเมื่อจะแสดงธรรมโปรดหัวหน้าโจรจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าท่านหัวหน้าสำหรับผู้ที่ไม่เยื่อใยในชีวิตย่อมไม่มีทุกทางใจภัยทุกอย่างผู้ที่สิ้นสังโยต์ล่วงพ้นภัยทุกอย่างได้แล้วเมื่อสิ้นตันหาที่นำไปสู่พบ ก็ย่อมไม่มีความกลัวตายโดยประการใดประการหนึ่งในปัจจุบันนั้นเหมือนคนที่ไม่กลัวความหนักในเมื่อวางของหนักลงแล้วพรมรรจันอาตมาประพฤติดีแล้วและแม้มรรักอาตมาก็อบรมดีแล้วอาตมาจึงไม่มีความกลัวตายเหมือนคนไม่กลัวโรคในเมื่อหายโรคพรมรรจันอาตมาประพฤติดีแล้วและแม้มรรักอาตมาก็อบรมดีแล้ว อาตมาได้เห็นพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเหมือนคนเดื่มยาพิษแล้วสำรอบออกมาผู้ที่ถึงฝั่งไม่ยึดมั่นเสร็จกิจหมดอาสวะย่อมพอใจเพราะความสิ้นอายุเหมือนผู้ร้ายพ้นจากการถูกประหารชีวิตปรร่าเริงยินดีอยู่ผู้บรรลุสภาวะธรรมชั้นสูงสุดไม่มีความเยื่อใยในโลกทั้งมวลเมื่อจะตายก็ไม่เศร้าโศก เหมือนคนที่พ้นจากเรือนที่ถูกไฟไหม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสว่าความเกี่ยวข้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีพบที่ได้ในหมู่สัตว์ก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสว่าสิ่งนี้ทั้งหมดไม่มีอิสระพระอริยสาวกผู้รู้แจ้งพบสามนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วไม่ยึดพบไรๆ เหมือนคนไม่จับก้อนเหล็กแดงลุกโชนอาตมาไม่มีความคิดว่าเราได้เป็นเราจะเป็นเราจะไม่เป็นเช่นนี้อีกสังขารทั้งหลายจากดับไปอาตมาจะคร่ำครวญถึงสังขาร น, นั้นไปทำไมท่านหัวหน้าสำหรับผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมล้วนๆความเสื่อมเนื่องแห่งสังขารล้วนๆตามที่เป็นจริงย่อกไม่มีความกลัวเมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นโลกว่าเสมอด้วยยญ้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นเขาซึ่งไม่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เจ้าโศกว่าของเราไม่มีอาตมาเบื่อหน่ายร่างกายไม่ต้องการพบกายนี้จะแตกและจะไม่มีกายอื่นอีกหากพวกท่านปรารถนาจะทำกิจใด ด, ด้วยร่างกายขอเชิญทำกิจนั้นได้ตามความปรารถนาเถิดในการทาหรือไม่ทานั้น อาตมาจะไม่มีทั้งความเครียดแค้นและพอใจเพราะการทำนั้นเป็นเหตุพวกโจรฟังคําของพระอาทิตุ์ตะเถระนั้นซึ่งน่าอาัศจรรย์ทำให้ขนชูชันนั้นแล้ววางศัตราวุฒแล้วเรียกกล่าวเนื้อความนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านไม่มีความเศร้าโศกนี้เพราะท่านทำกรรมอะไรไว้หรือใครเป็นอาจารย์ของท่านหรือเพราะอาศัยคาสอนของใคร พระอธิมุตตะเทระได้ฟังดังนั้นแล้วเมื่อจะให้คำตอบจึงได้กลาา่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญยูทรงรู้เห็นธรรมทั้งปวงทรงชนะหมู่มารมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวงทรงเยียวยารักษาสัตว์โลกทั้งมวลเป็นอาจารย์ของอาตมาพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ให้ถึงความสิ้นอาสวะอย่างยอดเยี่ยมนี้ไว้เพราะอาศัยคาสั่งสอนของพระองค์ อาตมาจึงได้ความไม่เศร้าโศกนี้แลพวกโจรฟังคำสุภาษิตของพระอาิมุตตะเถระผู้เป็นเรศีจึงพากันวางศ ส, สตราและอาวุธบางพวกก็ได้งดเว้นกรรมนั้นและบางพวกก็ได้ขอบวชพวกเขาครั้นบวชในพระศาสนาของพระสุคตเจริญโพชงเจ็ดและพระห้าแล้วเป็นบัณฑิตมีใจเบิกบานยินดีอบรมอินทรีย์แล้ว ได้บรรลุสันตบทคืนนิพพานอันไม่มีปัจจัยอะไระไรปรุงแต่ง 2. ปาราปริยะเถระคาถาพาษิทิ์ของพระปาราปริยะเถระพระปาราปริยะเถระเมื่อจะประกาศอาการที่ตนคิดจึงเรียกกล่าวภาสิทธิ์เหล่านี้ว่าภิกษุชื่อปาราปริยะเป็นสมณนะนั่งอยู่แต่ลำพังผู้เดียวมีจิตสงบสงดเข้าฌานอยู่ ได้มีความคิดว่าคนพึงทําอะไรโดยลําดับประพฤติวัดอย่างไรประพฤติมารยาทอย่างไรจึงจะชื่อว่าพึงทํากิจของตนและไม่เบียดเบียนใครใคอินทรีย์ทั้งหลายนั่นแหละย่อมมีไว้เพื่อประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สําหรับมวลมนุษย์อินทรีย์ที่ไม่ได้ระวังรักษาย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ส่วนอินทรีย์ที่ระวังรักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ คนที่ระวังรักษาและคุ้มครองอินทรีย์เท่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ทํำกิจของตนและไม่พึงเบียดเบียนใครๆถ้าผู้ใดไม่ห้ามจากขุนศีที่เป็นไปในรูปทั้งหลายมักไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยอันหนึ่งผู้ใดไม่ห้ามโสตินรีที่เป็นไปในเสียงทั้งหลายมักไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย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 ผู้ใดยังนึกถึงโพธิภพที่สวยงามไม่ปฏิกูลยินดีแล้วผู้นั้นย่อมประสบทุก์ต่างๆซึ่งมีราคะเป็นเหตุผู้ใดไม่อาจระวังรักษาใจจากธรรมอารมณ์เหล่านี้ทุกที่เกิดจากกระแสอารมณ์ทั้ง5ย่อมติดตามผู้นั้นเพราะไม่ระวังรักษาใจนั้นร่างกายนี้เต็มไปด้วยหนองเลือดและซากศพเป็นจานวนมาก นรชนผู้กล้าสร้างไว้เกลื่องเกลาวิจิตงดงามแต่ภายนอกภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีคูดเป็นต้นดุดสมุกที่เผ็ดร้อนมีรสหวานชื่นใจผูกพันด้วยความรักเป็นทุกข์ฉาบไว้ด้วยของที่น่าชื่นใจภายนอกดุดมิตรโกนทาน้ำผึ้งที่คนเขลาไม่รู้ซึ้งฉะนั้นบุรุษที่ยังกหนัดยินดีในรูป เสียงกลิ่นรสและโพทพะของสตรีย่อมประสบทุกข์ต่างๆกระแสตัณหาในสตรีทั้งห้าย่อมไหลไปในทวารทั้งห้าของบุรุษผู้ใดมีความเพียรอาจทาการป้องกันกระแสตัณหาทั้งห้านั้นได้ผู้นั้นมีความรู้ตั้งอยู่ในธรรมขยันมีปัญญาเครื่องพิจารณาถึงจะยินดีอยู่ก็พึงทากิจที่ประกอบด้วยเหตุผลได้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 ผู้ใดปรารถนาจะใช้อุบายต่างๆช่วงชิงเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่นฆ่าเบียดเบียนผู้อื่นและทําผู้อื่นให้เศร้าโศกฉกชิงเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่นด้วยความทารุณร้ายกาจการกระทําของผู้นั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนมีกําลังเมื่อจะถากไม้ย่อมใช้ลิ่มตอกลิ่มฉันใดภิกษุผู้ฉลาดก็ฉันนั้นย่อมใช้อินทรีย์นั่นแหละขจัดอินทรีย์ นรชนใดอบรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาใช่อินสี่ห้าฝึกอินสี่ห้าเป็นพรามไม่มีทุกข์ถึงอนุปาที่เสสนานิพานนรชนนั้นมีความรู้ตั้งอยู่ในธรรมทำตามอนุสาสนีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการย่อมประสบสุข 3. เตรการนิเถรคาถา ภาษิตของพระเตลากานิเทระพระเตลากานิเทระเรียกลาภาษิตเหล่านี้ว่าเราได้มีความเพียรค้นคิดทำอยู่นานหนอเมื่อสอบถามสมณะพราหมณ์ก็ยังไม่ได้ความกระจ่างใจในโลกนี้ใครเล่าเป็นผู้ถึงฟังใครเป็นผู้บรรลุธรรมที่ยังลงสู่อมะตะเราจะปฏิบัติตามธรรมของใครซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งปรมัตถธรรมได้ เรามีความโคดคือกิเลสอยู่ภายในเหมือนปลากินเบ็ดทั้งถูกผูกด้วยบ่วงคือกิเลสเหมือนเท้าเวาปจิตติอสูรถูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสักกะจอมเทพเรากระชากบ่วงคือกิเลสนั้นไม่หลุดจึงไม่พ้นไปจากความเศร้าโศกและความร่ำไรราพันนั้นใครในโลกนี้จะช่วยแก้เครื่องผูกคือกิเลสประกาศทางตรัสรู้ให้เราได้ เราจะปฏิบัติตามธรรมของใครคือสมณะหรือพราหมณ์คือใครผู้แสดงธรรมเป็นเหตุกําจัดกิเลสที่จะลอยชราและมรณะเสียได้จิตของเราถูกร้อยไว้ด้วยความลังเลสงสัยประกอบด้วยความแข่งดีมีกําลังถึงความกระด้างเพราะใจประกอบด้วยความโกรธถูกความโลภคอยทําลายเชิญท่านดูลูกศรเคือทิฏฐิ30ประเภท อันมีธนูคือตันหาเป็นสมุทฐานเนื่องอยู่ในอกมีกําลังทำลายหาไทยอยู่เถิดการไม่ละทิฐิที่เหลือเป็นอันถูกลูกสอนคือความดำริผิดให้อาหานเราถูกยิงด้วยลูกสอนคือทิฐินั้นว่นไหวอยู่เหมือนใบไม้ไหวเพราะต้องลมบาปกรรมตั้งขึ้นภายในเราพลันให้ผลเป็นไปในร่างกายที่มีภาษายตนะหกทุกเมื่อ เรายังไม่พบหมอที่จะช่วยถอนลูกศรของเรานั้นได้เลยทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือแพทย์ต่างสัสตว์ราเวทมนและยาอื่นๆถอนลูกศร น, นั้นได้ใครเล่าไม่ต้องใช้ศาสตราไม่ทําร่างกายให้เป็นแผลไม่เบียดเบียนร่างกายทุกส่วนจากถอนลูกศรคือกิเลสซึ่งเป็นลูกศรโดยปรมาทิที่เสียบอยู่ภายในหทัยของเราออกได้ผู้ลอยโทษที่เป็นพิษ คือกิเลสมีราคาเป็นต้นเสียได้จัดว่าเป็นใหญ่ในธรรมแท้ประเสริฐสุดช่วยชี้มือคืออริยมรรคบอกที่บกคือนิพพานให้แก่เราผู้ตกห่วงน้ำใหญ่คือสงสารที่ลึกเราได้จมลงในห่วงน้ำใหญ่คือสงสารซึ่งมีดินเหนียวคือทุลีมีราคาเป็นต้นที่ไม่สามารถจะนําออกได้เป็นที่แผ่ไปแห่งมายาความริษยาความแข่งดี และความห่วงเหงาเหานอนความดำริทั้งหลายที่อาศัยราคะเป็นเหมือนห่วงน้ำใหญ่มีอุทจจะเป็นเมฆคำรนมีเมฆหมอกคือสังโยสิบย่อมนำเราผู้มีความเห็นผิดไปกระแสตันหาไหลาไปในอารมณ์ทั้งปวงทั้งตันหาดังเทาวันก็ผลิขึ้นใครจะพึงกั้นกระแสตันหาเหล่านั้นได้ใครเล่าจากตัดตันหาดังเถาวันนั้นได้ ท่านผู้เจริญทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายทำเขื่อนอันเป็นเครื่องกั้นกระแสตน้ำเสียอย่าให้กระแสตันหาที่เกิดแต่ใจพัดพาท่านทั้งหลายไปเร็วพลันดังกระแสน้ําพัดพาต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งไปพระศาสดาทรงมีพระปัญญาเป็นอาวุธอันหมู่เรืีอาศัยแล้วเป็นที่พึ่งสําหรับเราผู้มีภัยกําลังแสวงหาฝั่งคืนนิพพานจากที่มิใช่ฝั่งได้อย่างนี้ พระองค์ได้ทรงประทานบันไดที่นายช่างทำดีแล้วบริสุทธิ์ทำด้วยไม้แก่นคือทำอันมั่นคงแก่เราผู้กำลังถูกกระแสหวงน้ำคือตันหาพัดไปและรับสั่งว่าอย่ากลัวเลยเราได้ขึ้นปราสาทคือสติปัะทานพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้ยินดีในร่างกายของตนที่เราจากได้รู้ในการก่อนโดยเป็นแก่นสาร เมื่อคราวที่เราได้เห็นทางคือวิปัสสนาซึ่งเป็นอุบายสำหรับขึ้นเรือคืออริยมรรคแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนจึงได้เห็นท่าที่ดีเยี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันยอดเยี่ยมเพื่อไม่ให้เป็นไปแห่งบาปธรรมคือทิฏฐิและมานะเป็นต้นซึ่งเปรียบเหมือนลูกสรเกิดแต่ตนทั้งเกิดแต่ตันหาที่นาไปสู่พบได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำจัดโทษที่เป็นพิษได้ทรงช่วยบรรเทากิเลสเครื่องร้อยรัดของเราที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานครอบงำสันดานอยู่มาเป็นเวลานาน 4. รัฐปาลเถระคาถาภาษิทธิ์ของพระรัฐปาลเถระพระรัฐปาลเถระเรียกล่าวภาสิทธิ์เหล่านี้ว่าขอเชิญโยมมารดาบิดาทรงดูอัตภาพ ที่ผ้าและอาพรเป็นต้นทําให้วิจิตมีกายเป็นแผลมีกระดูก300ท่อนเป็นโครงร่างกระสับกระส่ายที่พวกคนเขาดํ m ริหวังกันส่วนมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่นขอชืนโยมมารดาบิดาทรงดูรูปที่สตรีใช้แก้วมณีและต่างหูแต่งให้วิจิตซึ่งมีหนังหุ้มกระดูกไว้ภายในงามพร้อมเสื้อผ้าเท้าทั้งสองย้อมด้วยครั่งสด หน้าทาด้วยจุนก็สามารถทำคนคลาดให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฝั่งคืนนิพพานให้ลุ่มหลงได้ผมที่ตกแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากลุกตาทั้งสองที่ยอดด้วยยายอตาก็สามารถทำคนคลาดให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฝั่งคืนนิพพานให้ลุ่มหลงได้กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้ว เหมือนกล่องยาหยอตาใหม่ๆที่งดงามก็สามารถทําคนคล้าให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทําคนที่แสวงหาฝั่งคืนนิพานให้ลุ่มหลงได้นายพรานเนื้อดักบวงไว้แล้วเนื้อไม่มาติดบวงเราทั้งหลายฝูงเนื้อกินเหยื่อแล้วหลบหนีไปเมื่อนายพรานกําลังคร่ําครวญอยู่เราทั้งหลายกัดบวงของพรานเนื้อขาดแล้วเนื้อไม่ติดบวงเรากินเหยื่อแล้วหลบหนีไป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 ยังทรงปรารถนาจะครอบครองสมุทรสาครฝั่งโน้อนอีกทั้งพระราชาและคนอื่นเป็นจํานวนมากที่ยังไม่ปราศจากตันหาเข้าถึงความตายยังไม่เต็มตามที่ต้องการเลยก็ละทิ้งร่างกายไปเพราะความอิ่มด้วยอง ก, กามไม่มีในโลกมู่ญาติพากันสยายผมคร่ำครวญถึงคนที่ตายนั้นและพูดว่าทําอย่างไรหนอพวกญาติของเราทั้งหลายจึงจะไม่ตาย แต่นั้นก็นำศพนั้นซึ่งห่อผ้าไว้แล้วยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วช่วยกันเผาศพนั้นถูกเขาใช้เหลาแทงเผาอยู่และพภกสมบัติมีแต่ผ้าผืนเดียวเมื่อคนจะตายญาติมิตรหรือสหายก็ช่วยไม่ได้ทายาททั้งหลายก็ขนทรัพย์สมบัติของเขาไปส่วนสัตว์ที่ตายไปก็ย่อมไปตามกรรมเมื่อตายไป ทรัพย์ไร่คือบุตรพัญญาเข้าของเงินทองและแว่นแคว้นก็ติดตามไปไม่ได้ทรัพย์ช่วยคนให้มีอายุยืนไม่ได้ทั้งช่วยคนให้ละความแก่ก็ไม่ได้นักปราทั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นว่าน้อยนักไม่ยั่งยืนมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนก็ย่อมประสบเช่นนั้นทั้ง่านและบัณฑิตก็ประสบเหมือนกันทั้งนั้น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 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดนั่นแหละประเสริฐกว่าอาตมาบวช ด, ด้วยศรัทธาได้ปฏิบัติชอบในพระศาสนาของพระจินเจ้าการบวชของอัตมาไม่มีโทษอาตมาฉันอาหารอย่างไม่เป็นหนี้พิจารณาเห็นกลามทั้งหลายโดยความเป็นของร้อนเงินทองโดยความเป็นศาตราทุกข์ตั้งแต่เถอปฏิสนธิในคันและภัยใหญ่ในนรกครั้นเห็นโทษนี้แล้ว จึงได้ถึงความสังเวชในครั้งนั้นในคราวนั้นอาตมานั้นเป็นผู้ถูกลูกศอนคือราคะเป็นต้นทิมแทงอยู่บัดนี้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วอาตมาปรนิบัติพระศาสดาได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปลงภาระที่หนักเสียได้ถอนตันหาที่นําไปสู่พบได้ขาดแล้วอาตมาออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้น อันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงอาตมาก็ได้บรรลุแล้ว 5. มาลุงกะยะปุตรเทระคาถาภาษิตของพระมาลุงกะยะบุตรเทระพระมาลุงกะยะบุตรเทระได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อเห็นรูปมัวใส่ใจถึงอารมณ์อันเป็นที่รักอยู่ย่อมหลงลืมสติได้ผู้ที่มีจิตกำหนัดนับยังสวยรูปารมณ์อยู่ เวทนาต่างๆซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ย่อมเจริญแก่เขาอภิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของเขาเพราะสังสมอย่างนี้ทุกย่อมเป็นไปท่านกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเมื่อฟังเสียงแล้วมัวใส่ใจถึงอารมณ์อันเป็นที่รักอยู่ย่อมหลงลืมสติได้ผู้ที่มีจิตกำหนัดนักยังสวยสัทธารมณ์อยู่ศัทธารมณ์นั้นย่อมผูกพันเขาไว เวทนาต่างๆซึ่งมีเสียงเป็นอารมณ์ย่อมเจริญแก่เขาอภิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของเขาเพราะสั่งสมอย่างนี้ทุกย่อมเป็นไปท่านกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเมื่อบุคคลดมกลิ่นแล้วใส่ใจว่าเป็นนิมิต ท, ที่น่ายินดีก็เป็นอันหลงลืมสติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเขามีจิตกำหนัดนักเพลิดเพลินและติดคันธารมนั้นอยู่ เวทนาต่างๆซึ่งมีกลิ่นเป็นอารมณ์ย่อมเจริญแก่เขาอภิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของเขาเพราะสังสมอย่างนี้ทุกย่อมเป็นไปท่านกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเมื่อบุคคลลิ้มรสแล้วใส่ใจว่าเป็นนิมิต ท, ที่อร่อยก็เป็นอันหลงลืมสติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเขามีจิตกำหนัดนักเพลิดเพลินและติดรสอารมณ์นั้นอยู่ เวทนาต่างๆซึ่งมีรสเป็นอารมณ์ย่อมเจริญแก่เขาอภาิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของเขาเพราะสังสมอย่างนี้ทุกย่อมเป็นไปท่านกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเมื่อบุคคลถูกต้องโผฏพหะแล้วใส่ใจว่าเป็นนิมิตที่น่าติดใจก็เป็นอันหลงลืมสติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเขามีจิตกำหนัดนักเพลิดเพลินและติดโผฏพารณ์นั้นอยู่ เวทนาต่างๆซึ่งมีผัสสะเป็นอารมย์ย่อมเจริญแก่เขาอภิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของเขาเพราะสังสมอย่างนี้ทุกย่อมเป็นไปท่านกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเมื่อบุคคลรู้ธรร ม, มารมแล้วใส่ใจว่าเป็นนิมิต ท, ที่น่าเพลิดเพลินก็เป็นอันหลงลืมสติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเขามีจิต ก, กำหนัดนักเพลิดเพลินและติดธรร ม, มารมนั้นอยู่ เวทนาต่างๆซึ่งมีธรรมารมเป็นเหตุย่อมเจริญแก่เขาอภิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของเขาเพราะสังสมอย่างนี้ทุกย่อมเป็นไปท่านกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานผู้ที่เห็นรูปแล้วมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่กำนัดยินดีในรูปมีจิตคลายความกำนัดรู้แจ้งรูปารมณ์นั้นและไม่ติดรูปารมณ์นั้นอยู่ เมื่อพระโยคีนั้นพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือแม้เสวยเวทนาโดยที่กิเลสมีอภิชาเป็นต้นเป็นไปไม่ได้กิเลสวัดย่อมสิ้นไปย่อมก่อรากขึ้นไม่ได้ชั้นใดท่านมีสติประพฤติอยู่อย่างนี้ก็ฉันนั้นเมื่อไม่ก่อวัตถุทุกอย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานผู้ที่ฟังเสียงแล้วมีสติอยู่เฉพาะหน้า ไม่กำหนัดยินดีในเสียงมีจิตคลายความกำหนัดรู้แจ้งสัทธารมณ์นั้นและไม่ติดสัทธารมณ์นั้นอยู่เมื่อพระโยคีนั้นฟังเสียงหรือแม้สวยเวทนาโดยที่กิเลสมีอภิชาเป็นต้นเป็นไปไม่ได้กิเลสวัฏย่อมสิ้นไปย่อมก่อรากขึ้นไม่ได้ท่านมีสติประพฤติอยู่อย่างนี้เมื่อไม่ก่อวัฏตทุกอย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพาน ผู้ที่ดมกลิ่นแล้วมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่กำนัดยินดีในกลิ่นมีจิตคลายความกำนัดรู้แจ้งคันธารมนั้นและไม่ติดคันธารมนั้นอยู่เมื่อพระโยคีนั้นดมกลิ่นหรือแม้สวยเวทนาโดยที่กิเลสเมียพิชาเป็นต้นเป็นไปไม่ได้กิเลสวัสดย่อมสิ้นไปย่อมก่อรากขึ้นไม่ได้ท่านมีสติประพฤติอยู่อย่างนี้เมื่อไม่ก่อวัตทุกอย่างนี้ ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพานผู้ที่ลิ้มรสแล้วมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่กำหนัดยินดีในรสมีจิตคลายความกำหนัดรู้แจ้งระสารมนั้นและไม่ติดระสารมนั้นอยู่เมื่อพระโยคีนั้นลิ้มรสหรือแม้สวยเวทนาโดยที่กิเลสมีอภิชาเป็นต้นเป็นไปไม่ได้กิเลสวัฏย่อมสิ้นไปย่อมก่อรากขึ้นไม่ได้ ท่านมีสติประพฤติอยู่อย่างนี้เมื่อไม่ก่อวัตถุทุกอย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานผู้ที่ถูกต้องโผธภะะแล้วมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่กำหนัดยินดีในโผฏพะมีจิตคลายความกำหนัดรู้แจ้งโผภพารมณ์นั้นและไม่ติดโผฏพารมณ์นั้นอยู่เมื่อพระโยคีนั้นถูกต้องโผฏพะหรือแม้สวยเวทนา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 พระเสลเทระครั้งเป็นครหัดได้สดุดีพระผู้มีพระภาคด้วยภาสิทธหกพาสิทธว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วทรงมีพระวิริยภาพมีพระวรกายสมบูรณ์มีพระรศมีที่สร้างออกจากพระวรกายงดงามสวยงามน้าทศนายิ่งนักพระชวีวันเปล่งแปลงดังทองคําพระเขียวแก้วทั้งซ้ายขวาก็สุกใส เพราะพระลักษณะแห่งมหาบุรุษที่มีปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระวรกายของพระองค์อย่างครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรแจ่มใสพระพักผุดพองพระวรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชทรงรุ่งเรืองท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่พระองค์เป็นภิกษุมีพระคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระชวีวันผุดพองดังทองคํา พระองค์ทรงมีวั น, นะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทำไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่องค์อาจในหมู่พลรถทรงปราบปรามภัยรีชนะทรงเป็นใหญ่ในภาค พ, พื้นชมพูทวีปซึ่งมีสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณี ที่กษัตราธ์ราชโดยพระชาติได้เสวยราชมีหมู่เสวากาหมาตเสด็จตามพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าเสลพรามเราเป็นพระราชาอยู่แล้วเคยเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจากที่ไม่มีใครใคหมุนไปได้ให้หมุนไปได้พระเสลเถระครั้งเป็นครหัสเรียกกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าข้าแต่พระโคดม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 เสรพรามเอย๋ยสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจากที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้เป็นไปไวแล้วพรามเราได้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญได้ละธรรมที่ควรละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพรามท่านจงกำจัดความเคลือบแคลงสงสัยในเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสถิด เพราะว่าการพบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้จะปรากฏเนือ ง, งในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพรามเรานั้นเป็นพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรเคิรกิเลตมีราคะเป็นต้นชั้นเยี่ยมเป็นผู้ประเสริฐไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมานและเสนามารทามานทั้งหมดซึ่งไม่ใช่มิตรไว้ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนเบิกบานอยู่ พระเสลเถระครั้งเป็นครหัสกราบทูลด้วยสามคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงทรงไครครวนคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระตถาคตผู้มีพระจักษุเป็นหมอผ่าตัดลูกศรเคิร์กิเลตมีราคะเป็นต้นเป็นมหาวีระตรัสไว้ดังราชสีบันเอในป่าใครได้เห็นพระองค์ผู้ประเสรศิฐไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามาร จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนที่เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาหรือผู้ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไปฉันจะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้มานพทั้งหลายซึ่งเป็นอันเตวาสิกสามร้อคนได้กล่าวภาษิตนี้ว่าถ้าท่านอาจารย์ผู้เจริญชอบใจคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ แม้พวกเราก็จะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐพระเสระเทระครั้งเป็นครหัดดีใจได้กราบทูลด้วยภาษิตว่าพราหมณ์สามร้อคนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคให้พราหมณ์ทั้งหมดบวชแล้ว ตรัสพระพุทธภาสิตว่าเสละพระมรรจันเรากล่าวไว้ดีแล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองให้ผลไม่จำกัดการในศาสนาที่มีการบรรปชาไม่ไร้ผลเมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่พระเสละเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัดเรียกกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถึงสารนคมนั้นในวันที่แแต่นี้ฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้ใช้เวลาฝึกอินทรีย์ในพระศาสนาของพระองค์มาเป็นเวลาเจ็ดวันพระองค์ทรงเป็นสัพพัญยูพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเป็นจอมปราดทรงครอบงำมารได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ทรงข้ามห่วงน้าใหญ่คือสงสารได้แล้วจึงทรงยังหมูสัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วย พระองค์ทรงล่วงอุปทิกิเลตได้พ้นทำลายอาสวะแล้วไม่มีความยึดมั่นและความหวาดกลัวภัยได้เหมือนราชสีไม่กลัวต่อหมู่เนื้อข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแกล้วกล้ า, ลาภิกษุทั้งสามรอยรูปนี้ยืนประนมมืออยู่ขอพระองค์ทรงเยียรพระยุคลบาทเถิดภิกษุทั้งหลายจะได้ถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นาศาสดา 7. พัทธิยาการิโคธาบุ ต, ตเถระคาถาภาสิตของพระพัทธิยาการิโคธาบุตเถระพระพัทธิยาการิโคทาบุตเถระได้บรนเลอศีหนาต่อพระพักพระศาสดาด้วยภาสิตเหล่านี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์เมื่อจะไปไหนนั่งคอช้างไปเมื่อจะนุ่งห่มผ้าก็นุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดเมื่อจะบริโภค ก็บริโภคแต่ข้าวสาลีที่ราดด้วยเนื้ อ, อันสะอาดบัดนี้ข้าพระองค์มีนามว่าพัทยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคธาเป็นผู้เจริญมีความเพียรต่อเนื่องยินดีในอาหารที่บินทบาทได้มาไม่ยึดมั่นเพ่งพินิจอยู่ข้าพระองค์มีนามว่าพัทยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคทาถือการนุ่งข่มผ้าบางสกุลเป็นวัด มีความเพียรต่อเนื่องยินดีในอาหารที่บินทบาทได้มาไม่ in, มยึดมั่นเพ่งพินิจอยู่ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่อง <medical. S 2> ถือการครองผ้าสามผืนเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการชันหนเดียวเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการชันในบาทเป็นวัด มีความเพียรต่อเนื่องถือการห้ามอาหารที่เขานำมาถวายภายหลังฉันเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการอยู่ป่าเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่ท่านจัดให้เป็นวัด มีความเพียรต่อเนื่องเถือการนั่งเป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องมีความปรารถนาน้อยมีความเพียรต่อเนื่องมีความสันโดษมีความเพียรต่อเนื่องชอบสงัดมีความเพียรต่อเนื่องไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีความเพียรต่อเนื่องข้าพระองค์มีนามว่าพัทยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคทา ปรารบความเพียรมีความเพียรต่อเนื่องยินดีในอาหารที่บินทบาตได้มาไม่มีความยึดมั่นเพ่งพินิจอยู่ข้าพระองค์ได้ละทิ้งจานทองคําลวดลายวิจิตหน้าร้อยปะละมาใช้แทนบาดดินนี้เป็นการอภิเสกครั้งที่สองเมื่อก่อนข้าพระองค์มีหมู่ทหารถือดาบคอยคุ้มครองรักษาอยู่ในพระนครซึ่งมีป้อมและซุ้มประตูอย่างแข็งแรง ซึ่งแวดล้อมด้วยกำแพงเป็นวงกลมสูงลิว่วอยู่ยังหวาดระแวงบัดนี้ข้าพระองค์มีนามว่าพัติยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคทาเป็นผู้เจริญไม่หวาดระแวงและความหวาดกลัวภัยเสียได้มาสู่ป่าเพ่งพินิจอยู่ดำรงมั่นอยู่ในกองศีลเจริญสติและปัญญาอยู่ได้บรรลุความสิ้นสังโยต์ทั้งหมดแล้วโดยลาดับ 8. อังคุลิมาละเถระคาถาภาษิทิ์ของพระองค์คุลิมาเถระพระองค์คุลิมาเถระครั้งยังเป็นครหัเดเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยภาสิทธิ์ว่าท่านสมณนะท่านยังเดินอยู่แต่กลับกล่าวว่าเราหยุดแล้วและกล่าวหาเราซึ่งหยุดแล้วว่าไม่หยุดท่านสมณนะเราขอถามท่านถึงความข้อนี้ที่ว่าท่านหยุดแล้วแต่เราซิไม่หยุด อย่างไรกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบองค์คุลิมานโจร น, นั้นด้วยพระคถ า, าว่าองค์คุลิมานเราได้ละทิ้งโทษทันในสัตว์ทั้งมวลอยู่ทุกเมื่อส่วนท่านซิไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านชื่อว่ายังไม่หยุดองค์คุลิมานโจรกราบทูลว่าเป็นเวลานา น, านหนอที่พระองค์ซึ่งเป็นสมณะ ที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกบูชาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาสู่ป่าใหญ่เพื่ออนุเคราะห์ฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์นั้นได้สดับพระพุทธภาสิทธ์ซึ่งประกอบด้วยธรรมของพระองค์จะเลิกละบาปตั้งพันพระสังคีติกาจารย์ได้รจนาสองาสิทเหล่านี้ว่าครั้นองคุลิมานโจรกราบทูลแล้ว ก็ได้โยนดาบและอาวุธทิ้งเหวซึ่งทั้งกว้างและลึกได้ถวายบังคมพระยุคลบาทพระสุคตได้ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าณที่นั้นนั่นเองทันใดนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมาโจนั้นว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ องคุลิมาโจ น, นั้นก็ได้เป็นภิกษุพระองคุลิมาเถระเกิดปิติโสมนัสจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยัยดุจ ด, ดวงจันทร์พ้นจากเมฆบาปกรรมที่ทำไว้ผู้ใดปิดกั้นเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยัย ดูดดวงจันทร์พ้นจากเมฆภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่นย่อมประกอบขนขวายในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยัยดูดดวงจันทร์พ้นจากเมฆพวกคนที่เป็น้าสึกกับเราขอเชิญสดับธรรมกถาขอเชิญปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอเชิญคบคาสมาคมกับคนที่เป็นสัตว์ปรุษซึ่งยึดมั่นแต่ธรรมเท่านั้น ขอเชิญสดับธรรมของท่านที่กล่าวสันเสริญความอดทนชอบสันเสริญความไม่โกรธได้ตามการและขอเชิญปฏิบัติตามธรรมที่ได้สดับแล้วนั้นผู้เป็นข้าศึกกับเรานั้นแหลอย่าพึงเบียดเบียนเราหรือสัตว์ไรอื่นเลยพึงถึงความสงบอย่างเยี่ยมและพึงรักษาคุ้มครองสัตว์ทั้งมวลเหมือนอาจารย์คุ้มครองสิทธิ์พวกคนขน้าก็ทาหน้าที่ขน้า พวกช่างทำสอนก็ดัดลูกสอนพวกช่างไม้ก็ถากไม้พวกบัณฑิตก็ฝึกตนคนฝึกช้างและคนฝึกม้าบางพวกมีท่อนไม้ขอและแท่จึงจะฝึกได้เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คงที่ซึ่งไม่ต้องใช้อาชยาไม่ต้องใช้ศาสตราทรงฝึกได้แล้วแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนอยู่ วันนี้เรามีชื่อที่เป็นจริงไม่เบียดเบียนใครๆเลยแต่ก่อนเราได้เป็นโจรเลอชื่อทั่วไปว่าองคุลิมานถูกห่วงน้ำใหญ่พัดพาไปจนได้มาถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งครั้งก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดเลอชื่อทั่วไปว่าองคุลิมานดูเอาเถิดสรณคมเราถอนตันหาที่นำไปสู่พบได้แล้ว เราได้ทำกรรมอันเป็นเหตุให้ไปทุกขติเช่นนั้นไวมากจึงต้องรับผลกรรมบัดนี้ย่อมฉันโภชนะอย่างไม่เป็นหนี้เราชนพานที่มีปัญญาสามย่อมประกอบความประมาทอยู่เนืองๆส่วนผู้ที่มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ดูดบุคคลรักษาทรัพย์อันประเสริฐที่สุดไว้บุคคลอย่าพึงขนขวายความประมาท อย่าค้นควายหาความสนิทสนมด้วยความยินดีในกามเพราะผู้ที่ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมประสบความสุขอย่างยิ่งการที่เรามาสำนักพระศาสดาเป็นการดีแล้วมิใช่ไม่ดีการที่เราคิดจะบวชในสำนักพระศาสดานี้ก็ไม่ใช่เป็นการคิดไม่ดีนั่นเป็นการเข้าถึงธรรมอย่างประเสริฐในพระธรรมที่พระศาสดาทรงจาแนกไว้ดีแล้ว การที่เรามายังสำนักพระผู้มีพระภาคเป็นการมาดีแล้วไม่ไร้ประโยชน์การที่เราคิดจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นความคิดไม่เลวเลยเราได้บรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก่อนเราอยู่ตามป่าตามโคนไม้ตามภูเขาตามถ้ำทุกคนแห่งยังมีใจหวาดระแวงพอพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ไม่ต้องตกอยู่ในบ่วงมือมานจะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสุขเมื่อก่อนเรามีเชื้อชาติเป็นพรามมีคันเป็นที่เถอปฏิสนธิบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายวันนี้เรานั้นเป็นโอรสของพระสุคสาดาผู้เป็นพระธรรมราชาปราศจากตันหาไม่ยึดมั่นคุ้มครองทวารสำรวมดีแล้วตัดรากเง่าแห่งทุกข์ได้แล้ว ความสิ้นอาสวะเราบรรลุแล้วเราปรนิบัติพระาศาสดาได้ทำตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปลงภาระที่หนักเสียได้ถอนตัญหาที่นำไปสู่พบได้ขาดแล้ว 9. อนุรุธทธะเทระคาถาภาษิตของพระอนุรุธทธะเทระพระอนุรุธทธะเทระสวยวิมุติสุขอยู่พิจารณาข้อปฏิบัติของตน เกิดปิติโสมนัสจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าอนุรุทธานี้แหละและพระชนุกช น, นีพระประยุรญาตและการมคุณห้าได้แล้วเข้าชานอยู่บุคคลผู้เพีย พ, พร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีเสียงดนตรีที่บรรเลงปลุกให้รื่นเริงใจอยู่ทุกข่ำเช้าย่อมไม่บรรลุถึงความบริสุทธิ์ด้วยการบริโภคกรามนั้นยังยินดีในกามคุณซึ่งเป็นวิสัยของมาร ส่วนอนุรุธะนี้แหละล่วงกามคุณห้านี้ได้แล้วยินดีในคําสอนของพระพุทธเจ้าล่วงโอฆะทั้งปวงได้แล้วเข้าฌานอยู่และล่วงกามคุณห้าเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและผลธพะที่น่ารื่นรมใจเข้าฌานอยู่อนุรุธะเป็นปราดไม่มีอาสวะกลับจากบินทบาทแล้วเที่ยวแสวงหาภาพบางสกุลแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อน มนุรุทธะผู้เป็นปราดมีปัญญาไม่มีอาสวะเที่ยวเลือกหาแต่ผ้าบางสุกุลครั้นได้แล้วซักย้อมเองแล้วนุ่งห่มบาปทำที่เศร้าหมองเหล่านี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้มากๆไม่สันโดษชอบคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะและมีจิตฟุ้งซ่านส่วนภิกษุผู้มีสติมากน้อยสันโดษไม่มีความขัดเคืองยินดีในวิเวกชอบส ง, งัดปรารบความเพียรเป็นประจำ ย่อมมีแต่กุศลธรรมซึ่งเป็นฝ่ายให้ตรัสรู้เหล่านี้ทั้งพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ตรัสว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วเสด็จมาหาเราด้วยพระวรกายที่สำเร็จโดยมนโนมยิทิเมื่อใดเรามีความดำริ เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วก็เสด็จมาหาเราด้วยฤทธิ์ได้ทรงแสดงธรรมอันยิ่งแก่เราพระพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีในธรรมที่ไม่เนื่อช้าได้ทรงแสดงธรรมที่ไม่เนื่อช้าแก่เราไว้แล้วเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์ยินดีอยู่ในคำสอนของพระองค์บรรลุวิชาสามได้ทาตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งแต่เวลาที่เราถือการไม่นอนเป็นวัดตลอด ห้หปีกำจัดความม่วงเหงาหานอนได้มาเป็นเวลา25หปีพระอนุรุธทธเทระเมื่อภิกษุทั้งหลายถามในเวลาที่พระาศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพานว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วหรือยังได้ประกาศว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระอรไยไตั้งมั่นคงที่ ไม่ได้มีลมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์ไม่ทรงวันไหวปรารบความสงบมีพระจักสุเสด็จปรินิพานแล้วทรงมีพระหฤทัยไม่หดหูอดกลั้นเวทนาได้มีพระหฤทัยหลุดพ้นไปเหมือนดวงประทีปที่ลูกโชนแล้วก็ดับไปบัดนี้ถ้ำเหล่านี้ซึ่งมีสัมผัสเป็นที่หของพระมหามุนีได้สิ้นสุดลง เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วจิตและเจตสิกธรรมเหล่าอื่นจะไม่มีอีกต่อไปเทวดาบัดนี้เราไม่มีการอยู่คือการอุบัติในหมู่เทพอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกภิกษุใดรู้แจ้งมนุสยาโลกเทวโลกพร้อมทั้งพรหมโลกซึ่งมีประเภทตั้งพันไดในการครู่เดียว ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในคุณคือริศในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเห็นเทพเจ้าทั้งหลายได้ในขณะที่เกิดชาติก่อนเรามีชื่ออันนะภาระเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างเลี้ยงชีพได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระอุปริธประปัจเจกพรพุทธเจ้าผู้สงบผู้มียศเรานั้นเกิดในักยาสกุล พระปยุรยาทรงขนานนามให้เราว่าอนุรุทธะเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีเสียงดนตรีที่บรรเลงปลุกให้รื่นเริงใจอยู่ทุกข่ำเช้าครั้นต่อมาเราได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาภัยแต่ที่ไหนมิได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วบวชเป็นบนรรพชิตเรารู้จักขันที่เคยอยู่อาศัยมาก่อนเกิดเป็นเท้าสักกะในหมู่เทพชั้นเดวดึง ปราไพรีให้พ่ายแพ้ด้ครองราชเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจอมมนุษย์ในชมพูทวีปซึ่งมีสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตเจ็ดครั้งได้ปกครองปวงประชากรโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราได้รัชชาติก่อนในคราวที่อยู่ในเทวโลกได้14ชาติคือครั้งที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจชาติครั้งที่เป็นเท้าส ก, กะเจชาติ เมื่อสมาธิประกอบด้วยองค์หมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ความสงบระ ง, งับแล้วที่พยจาจักษุของเราจึงหมดจดเราดำรงมั่นอยู่ในฌานที่ประกอบด้วยองค์หจึงรู้จุติและอุบัติการมาการไปของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเราปรนนิบัติพระาศาสดาถอนตันหาที่นำไปสู่พบได้ขาดแล้วจะปรินิพานอย่างไม่มีอาสวะเพราะสิ้นชีวิต ภายใต้พุ่มไม้ไผ่ใกล้เวลุวคามแคว้นวัชี 10. ปาราปริยะเทระคาถาภาษิ์ของพระปาราปริยะเทระพระสังคีติกาจาร์ทั้งหลายรจนาคาานิว่าพระปาราปริยะเทระผู้เป็นสมณนะมีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวชอบสงัดนั่งเจริญฌานอยู่ในป่าใหญ่ในฤดูดอกไม้ผลิ ได้มีความคิดว่าเมื่อพระโลกนาซึ่งเป็นบุรุษผู้สูงสุดยังทรงพระชนชีพอยู่ความประพฤิของภิกษุทั้งหลายได้เป็นอย่างหนึ่งบัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพานแล้วย่อมปรากฏเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อนสันโดดด้วยปัจจัยตามมีตามได้ได้นุ่งห่มผ้าเป็นปริมณฑลเพียงเพื่อจะป้องกันความหนาวความร้อนและลม ปกปิดอวัยวะที่จะให้เกิดความละอายเท่านั้นได้ขบชั้นอาหารปราณีืก็ตามเซ้าหมองก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามเพียงเพื่ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ติดไม่พัวพันไม่ได้นขนควายจนเกินไปในยากแก้ไขซึ่งเป็นบริคารเครื่องรักษาชีวิตเหมือ น, นขนควายในความสิ้นอาสวะพอกพูนวิเวกมุ่งแต่วิเวกอยู่ในป่า โคนต้นไม้ซอกเขาและถ้ำอ่อนน้อมมีศรัทธาตั้งมั่นเลี้ยงง่ายอ่อนโยนมีใจเมื่อกระด้างไม่ปราศจากสติไม่ปากร้ายไฟคิดแต่ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นสําคัญเพราะเหตุนั้นภิกษุแต่ปางก่อนเหล่านั้นมีความประพฤติทางกายและทางวาจาการบริโภคปัจจัยการซ่องเสพโคจร และมีอิรียบทลมนละไมหน้าเลื่อมใสเหมือนสายน้ำมันที่ไหลออกมาจากภาชนะไม่ขาสายบัดนี้ท่านเหล่านั้นสิ้นอาสวะหมดแล้วมักเจริญฌานเป็นอันมากประกอบด้วยประโยชน์มากเป็นพระเทระนิพพานแล้วเดี๋ยวนี้ท่านเช่นนั้นยังเหลืออยู่จำนวนน้อยเพราะกุศลธรรมและปัญญาสิ้นไปคาสอนของพระชินเจ้าซึ่งประกอบด้วยสภาวะอันประเสรศิฐ ทุกอย่างก็เลือนหายไปเวลาที่บาปทมและกิเลสกำลังเฟื่องฟูส่วนเหล่าภิกษุที่มุ่งมั่นเพื่อความสงบสงัดชื่อว่าเป็นผู้มีพระส ธ, ธรรมที่เหลือเป็นข้อปฏิบัติกิเลสเหล่านั้นเฟื่องฟูอยู่ก็ย่อมครอบงำชนผู้โง่เขลาเป็นจานวนมากเหมือนจะเยาะเย้ยเล่นกับเหล่าชนผู้โง่เขลาดุดปีศาจเข้าสิงผู้คนทำให้บ้าแล้วเล่นกับพวกเขาที่บ้าแล้ว คนที่ยังโง่เขลาเหล่านั้นถูกกิเลสครอบงำจึงพลานไปในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตามส่วนแห่งอารมณ์นั้นๆเหมือนพลานไปหาสิ่งที่ตนใคร่ที่เขาเชื้อเชิญไว้ฉะนั้นละพระสัต ธ, ธรรมแล้วทะเลาะกันเองยึดถือเอาความเห็นของตนสำคัญว่านี้เท่านั้นประเสรศิฐนรชนทั้งหลายละทิ้งทรัพสมบัติและบุตรภันยาออกบวชแล้ว ย่อมพากันทำกรรมที่บรรพชิตไม่ควรทำแม้เพราะเหตุแห่งภิกษาทัพพีเดียวพวกเธอฉันพัตาหารเต็มอิ่มแล้วเมื่อ น, นอนก็นอนงายตื่นแล้วกล่าวแต่ถ้อยคำที่พระศาสดาทรงตำหนิติเตียนภายในไม่สงบสนใจศึกษาแต่ศิลปะที่ชาวบ้านทั่วไปศึกษากันประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะย่อมล่วงเลยพวกเธอไปเสียภิกษุทั้งหลายที่มุ่งหวังจะได้มากๆ จึงน้อมสิ่งของเข้าไปให้พวกครหัตคือดินเหนียวบ้างน้ำมันบ้างจุนเจิมบ้างน้ำบ้างที่นั่งที่นอนบ้างอาหารบ้างไม้สีฟันบ้างผลมะขิดบ้างดอกไม้บ้างของควรเคี้ยวบ้างบินดาบาที่สมบูรณ์ด้วยกลับบ้างผลมะม่วงบ้างผลมะขามป้อมบ้างย่อมปฏิบัติตนในการประกอบยาเพื่อพวกครหัตเหมือนหมอ ทำกิจน้อยใหญ่เหมือนครหัตตกแต่งร่างกายเหมือนหญิงแพทยสยาวางตัวเป็นใหญ่เหมือนกษัตริย์ใช้อุบายมากอย่างคือทำให้คนหลงเชื่อหลอกลวงเป็นพยานเท็จใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆบริโภคอามิ t มุ่งแต่จะเป็นอยู่จึงเล่นไปตามบาป ร, รมในการพูดเรียบเคียงอ้อมค้อมใช้โวหารเล็กน้อยใช้อุบายรวบรมซับให้ได้มากๆ ย่อมให้ผู้คนบำรุงบำเรอตนเพราะงานตนเป็นเหตุแต่ไม่ใช่เพราะธทำเป็นเหตุแสดงธรรมตามที่ต่างๆเพราะเห็นแก่ลาบเป็นเหตุแต่ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งลาบที่เกิดในสง์เหินห่างจากพระอริยสง์เลี้ยงชีพด้วยอาศัยลาบของผู้อื่นไม่มีหิริไม่ละอายเลยจริงอย่างนั้น ภิกษุบางพวกซึ่งไม่ประพฤติตามสมณธรรมเป็นเพียงคนหัวโลนคลุมร่างไว้ด้วยผ้ากาสาวพัดปราถนาแต่การยกย่องสันเสริญฝ่ายเดียวยังติดลาบสักระเมื่อธรรมที่เป็นเครื่องทำลายมีประการต่างๆเป็นไปอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้การบรรลุฌานและวิปัสสนาที่ยังไม่ได้บรรลุหรือการคอยตามรักษาฌานและวิปัสสนาที่บรรลุแล้วมิใช่ธรรด้ง่าย เหมือนอย่างเมื่อพระาศาสดายังทรงพระชนชีพอยู่มุนีพึงตั้งสติให้มั่นเที่ยวไปในหมู่บ้านเหมือนคนไม่สวมรองเท้าเที่ยวไปในที่มีน้าพระโยคีเมื่อระลึกถึงวิปัสสนาที่ปรารพในการก่อนแล้วระลึกถึงข้อสำหรับภาวนาวิธีเหล่านั้นอยู่แม้จะถึงเวลาสุดท้ายแห่งชีวิตก็พึงบรรลุอมตะบทให้ได้ พระสังคีติกาจาร์หวังจะประกาศการปรินิพานของพระเถระจึงได้กล่าวภาษิสุดท้ายนี้ว่าพระปาราปริยะเถระผู้เป็นสมณะอบรมอินทรีย์แล้วเป็นพรามสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สิ้นพบแล้วครั้นกล่าววิธีปฏิบัตินี้แล้วก็ได้ปรินิพานในสารวันวิสตินิบาตจบ รวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาดนี้คือ 1. พระอธิมุตตะเทระ 2. พระปาราปริยะเทระ 3. พระเตลากานิกเทระ 4. พระรัฐปาลเทระ 5. พระมาลุงกยาบุตรเทระ 6. พระเสลเทระ 7. พระพัติยะกาลิโคธาบุตรเถระ 8. พระองคุลิมาลเถระเก้าพระอนุรุธทธเถระสิบพระปาราปริยะเถระในวีสตินิบาทนี้มีพระเถระที่ท่านระบุไว้10รูปทวนและมี245ขาคาถาชั้นนี้แหละ